วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวไทยเราที่ต่างท่านต่างมาด้วยความสมัครใจพระสงฆ์ก็ที่มาประรวงกันอยู่เวลานี้จํานวนมากมายจากที่ต่างๆด้วยความสมัครใจเหล่าบรรดาพี่น้องที่ ประชาชนก็มีจำนวนมากวันนี้เป็นเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่สายเบิกบานทั่วหน้ากันที่เราจะได้สมบัติคือทองคำดอลลาร์เงินสดเข้าสู่ครหลวงซึ่งเป็นหัวใจแห่งชาติไทยเราและจะได้ฟังเสียงอับเสียงธรรม นำไปประพึติปฏิบัติกรมจัดเสียงชั่วช้าละมกที่เรียกว่ากิเลสอันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้อยู่ภายในจิตใจของทุกรายไปเว้นใจพระรหัตเท่านั้น <c oughs> นี่วันนี้จะเรียกว่าเป็นบรรมหามงคลงานนี้ไม่ใช่งานเล็กน้อยเป็นงานของคนทั่วประเทศไทยทั้งฝ่ายพระ ก็คือคนไทยพ่อแม่ลูกหลานของท่านก็เป็นคนไทยอยู่ทุกแห่งทุกขนทั่วประเทศไทยนีท่านก็เป็นพระมาบวชพระศาสนาแล้วก็ไม่ท้นความเป็นพระไทยชาติไทยมีความรักชาติรักวงศ์สกุล ญ, ญาติวงทั่วไปหมด ในแดนแข่งชาติไทยของเราซึ่งแต่เป็นแดนแห่งคนไทยและชาวพูดธด้วยกันวันนี้ได้มาพร้อมเพียงกันทั้งพระเจา้ากงั์และประชาชนในมาประชุมในวันนี้เพื่อรวบรวมปัจจัยทั้งหลายที่กล่าวแล้วเบื้องตน้นนั้นเข้าสู่กลางหลวงอันเป็นหัวใจของชาติ แล้วจะได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมเข้าสู่ใจนำใบปฏิบัต <c oughs> ิบรรดาพระสงฆ์นั่นแหละเป็นสำคัญแห่งชาตไทยเราไม่ว่างานใดงานใดถ้ามีพระสงฆ์ผู้มีความเป็นธรรมตามแนวทางของศาสดรราแล้วท่านอยู่ในสถานที่ใดที่ใด ฐานที่นั้นจะมีความสงบเยือมเย็นทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามแม้แต่คารวะที่เคยประพฤติ ช, ชั่วเล ว, วสามมาก็ตาเมื่อได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงทมจากท่านแล้ว จ, จิตใจก็เหมือนกับน้ำกับไฟ จะสงบตัวลงจากสิ่งเลวร้ายทั้งหลายกลายเป็นจิตใจที่ชุ่มเย็นไปด้วยเพราะอำนาจแห่งธรรมที่ท่าน <c oughs> ผู้เป็นอัดเป็นรมจะแส ด, แดงให้ได้ยินได้ฟังนี่แหละวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ได้เห็นพระเจ้าประสงค์ที่ท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานตามทางของศาสดา ได้มาพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้ถูกบังคับบัญชาแต่อย่างใดแต่มาด้วยความสมัครใจเพราะความรักจารักศาสนา mm hmm. เขารบในครูในอาจารย์นับแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าและองค์ศาสดาลงมาเป็นธรรมที่เลิอเล่อเรือซึ่งควรกับท่านตั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นพระจะกราบไหว้บูชา ตามความตาความขรุขระ <c oughs> วันนี้ก็เป็นบันประชุมในสถานที่นี้ก็หมายถึงหลวงตาเป็นหัวหน้าของบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในรุ่นเป็นพระรึ่งลูกรุ่นหลานเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงจะเทศนาว่าการแบบหลวงบอกหลวงพ่อดวงตาสอนลูกสอนหลานประชาชนก็อยู่ใน ขอบคายแห่งความเป็นลูกเป็นหลานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นขอให้พากันตั้งอกตั้งจัจฟังอักฟังธรรมแล้วนำไปปฏิบัติธรรมที่แสดงออกมาทั้งหลายนี้ออกมาจากศาสดราองค์เอกเลิศเลอไม่มีใครเสมอเหมือนได้ในสามเดนโลกธาตุนี้ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนี้ได้มาจากความบริสุทธ ที่พระองค์ปฏิบัติได้เห็นผลประจักษ์แล้ ว, ลวมันมาสอนโลกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงให้นะให้พระนามว่าเป็นสวาขาดธรรมท่านตรับว่าชอบแล้วคาว่าชอบแล้วนั้นคือไม่มีผิดมีพระประการใดเลยธรรมไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดภูมิใดจนถึงมีมุตตุพ้นเป็นสวาขาดธรรม ตราไว้ชอบแล้วทางนั้นขอให้พากันตั้งใจปรปฏิบัติแต่เพราะอย่างยิ่งพระสงฆ์เรานั่นแหละจะเป็นผู้ให้ความโร่งเย็นเจอโลกต่อโลกต่อไป mm hmm. ซึ่งเคยทั้งนี้เคยมาเป็นให้ความโ่งเย็นแต่โลกมาตั้งดึกดำบดานมาทางไหนๆมาปัจจุบันนี้ก็มีพระพุทธศาสนาของเรา ในพระนามวา่าพระสมณโคดมเคยให้ความโล่งเย็นแก่โลกมาเทวบุตรเทวดาอินพรหมมาตลอดถึงมนุษย์มรนาจนกระทั่นไม่มาปรากฏเป็นพระเพราะยอมจำนวนต่อธรรมของพระพูทธเจาาแล้วปฏิบัติตนตามหลักธรรมหลักนิในยซึ่งเป็นองค์แทนของาศาสดา ดั้งที่ท่านแสดงไว้แล้วกับพระอานนุนจูวันท่านจะปริพานพระอานนุ์เข้าไปทูลรธาธรรมาท่านให้ทรงพระชนอยู่เป็นเวลานา น, านยังไม่อยากให้ท่านปริพานไปอย่างง่ายได้พระองค์ก็ภาษาของเราเขาเรียกว่าดุพระอานนุนว่าอานนุ์จะมาหวังอะไรกับเราอีก แต่เวลานี้ก็ยังเหลือแต่ร่างของเราคือพระสริละของพระองค์เท่านั้นส่วนอัตธรรมที่สอนไปแล้วโดยถูกต้องนั้นเราตถาคตได้มอบไปแล้วแสดงไว้แล้วอย่างแจ่มแจ้ ง, งทุกอย่างไม่เป็นที่สงสัยแล้วก็ธรรมและมีในนั่นแหละอาโน์ จะเป็นศาสดราของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วคำนี้เป็นคำที่แน่นหนักเป็นคำที่สำคัญ ม, มากในหัวใจแห่งชาวพุทธเฉพาะอย่างยื่นกับพระกับเนรเราควรยึดธรรมและวินัยนี้เป็นหลักใจจะเป็นพระที่ชุ่มเย็นเป็นสุข เพราะวินัยคือข้อบังคับเรียกว่ากฎหมายพระ ร, รมเป็นทางก้าวเดินมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมูุสาหาธรรมเป็นเครื่องก้าวเดินไปโดยตลอดนี่ท่านก็ท่าเรียกว่าศาสดาพร ะ, พระองค์หนึ่งท้าวินยัย <c oughs> ก็คือพระศาสดา <c oughs> ทั้ง ร, รมแล้ววินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราจะของเธอทั้งหลายแทนเราะถาคตเมื่อเราตายไปแล้ว <c oughs> นี่พระองค์ <c oughs> นิพพานไปแล้วก็คือทรรมวินัยนี่แหละเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายตลอดมาแทนอง์ศาสดา <c oughs> เพราะฉะนั้นจึง <c oughs> พูดได้ว่า ศาสตราแท้คือธรรมคือวินยัยไม่ได้ล่วงลับกลับไปที่ไหนส่วนพระศีละนั่นองค์ศาสดากับเราทั้งหลายไม่ผิดกันคือพระสริละของท่านกับร่างกายของพวกเรามีการเกิดการตายการเปลี่ยนแปลงเป็นต่างๆไปอย่างนี้อันนี้ไม่แน่นอนส่วนธรรมวินัยนั้น เป็นของแน่นอนสำหรับผู้ยืดกล้ไปประปฏิบัติแล้วจะมีความสงบรล่มเย็นแก่ตัวเองศีล <c oughs> ของเราก็บริสุทธิ์นับตั้งแต่เราบวชมาครั้งแรกวันแรกเลยเราตั้งใจรักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์ทุกข้อทุกข้อตามพระพุทธบัญญัติ ที่ทรงแสดงไว้เรียบร้อยแล้วนี่เราบวชมารักษาสีนั้นตั้งแต่บัดนั้นตลอดมาด้วยความมีสติระมัดระวงังมีฮิริโอตปะสรูปกลัวต่อบาปต่อกรรมไม่ให้มาเกิดขึ้นกับความกับกายวาตาใจของเหล่านี้เราก็อบปุ่นจากนั้นเราก็บำเพ็ญ อธรทมต่อไปเช่นบำเพ็ญจิตใจให้มีความสงบเร่มเย็นเป็นพื้นฐานของใจที่เรียกว่าฝ่ายธรรมฝ่ายวิันนั้นเป็นรั้วกั้นอยู่สองข้าทางห้ามไม่ให้ข้ามพระวิันออกไปจะไปเจอขวากน้ำหลุมบ่อ หรือตกเหวตกบ่อไปได้เพราะผิดกลาจากทางดำเนินเพื่อความสวัสดีราปซจากภัยจึงต้องดำเนินตามพระวินัยนั้นเรียกว่าไปตามสายทางแล้วบําเพ็ญจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นลำดับลำดาไป <c oughs> นี่ตั้งแต่ครั้งพุทธการท่านก็ปฏิบัติมาอย่างนั้น เวลาองค์ศาสดาดำทรงพระชนอยู่แจะได้เห็นทั้งพระรูปพระโฉมของพระองค์เวลาพระองค์ปริพานไปแล้วก็จึดเอาอับเอาธรรมเอาวินัยนั้นเข้ามาติดแนบกับจิตใจของของตนก็เท่ากับว่าศาสดาคือธรรมวิไนเข้ามาติดแนบกับใจของเราแล้ว ไปที่ไหนให้มีหิริโอตปะสะดุ่มกลัวต่อบาตต่อก ร, รมาศาสดาแสดงอย่างใดไว้แล้วนั่นแหละคือธรรมแท้ไม่มีที่แจ้งไม่มีที่หลบับเป็นธรรมโดยแท้สิ่งที่สอนให้ละให้พากันละตลอดไปสิ่งที่ทรงสอนให้พากันบำเพ็ญให้แน่นหนามั่นคงก็สั่งสอนไป นี่เราเท่ากับเราตัดตัวเอามรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดาไปตามทางของจากรดาที่สอนไว้แล้วโดยถูกต้อง <c oughs> แล้วผลที่จะพึงได้รับในครั้งพุทธกาลกับครั้งสมัยปัจจุบันนี้จะไม่มีอะไรแตกต่างจากกัน <c oughs> เพราะคำว่ากิเลสตัวเป็นภัยต่อจิตใจไม่ว่าครั้งไห น, ไหน ย่อมเป็นภัยต่อจิตใจตลอดมาแล้วคำว่าทำเครื่องชะาล่างหรือสังหารกิเลสตัวเป็นภัยนั่นก็เป็นธรรมตลอดมาเมื่อเรานำธรรมมาประพฤติปฏิบัติการจัดสิ่งที่เป็นภัยแล้วภัยก็ห่างเหินจากจิตใจหรือจางไปจางไป <c oughs> ธรรมคือความสงบล่มเย็นจะมีขึ้นภายในใจของเราเพราะการระมัดระวังรักษาและบำเพ็ญจิตใจของตอนอยู่โดยสม่ำเสมอนี่ละทางแห่งความสงบเป็นพื้นฐานที่จะเข้าก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือทางแห่งความสงบล่มเย็นมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานะ <c oughs> อบรมจิตใจของตนอยู่โดยสม่ำเสมอเมื่อพูดตามเรื่องงานของพระที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้แล้วนั่นก็คือว่าการเดินตรงๆก็ดีนั่งสมาธิก็ดีไปไหนมาไหนเอียบบททั้งสี่คือเยืญนก็ดีนั่งก็ดีเดินก็ดีนอนก็ดีแว่นแต่หลับ ให้เป็นผู้มีสติระมัดระวังรักษาใจตนเองซึ่งเป็นผู้ต้องหาจากกิเลสควบคุมอยู่ตลอดเวลาและทรมานเราโดยไม่มีเวลาหยุดยั้งให้มีสติํำกับจิตใจห้ามไม่ให้จิตใจคิดในทางที่เป็นพื้นเป็นไฟคือทางของกิเลสแล้วพยายาม บำเพ็ญนตนด้วยจิตใจที่มีหลักปีเกณฑ์ท่านผู้ที่อบรมเบื้องตน้นยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ก็ขอให้ยึดหลักคำบริกรรมเป็นหลักภาวนาเช่นใครมีความพอใจจลินิสัยชอบในธรรมบทใดขอให้นาธรรมบทนั้นมาบริกรรมเช่นพุทธโธก็ได้ธรรมโมหรือสังโฆ หรืออนาปานสติจะเป็นธรรมบทใดก็ตามเมื่อถูกสัิดิจิตใจของตนแล้วให้นำธรรมบทนั้นเข้ามาบริกรรมกรรมกับใจของเราเรียกว่าเป็นงานของธรรมธรระที่เลสในขณะที่เรามีสติควบคุมจิตใจยอยู่ด้วยคำบริกรรมเช่นนั้นกิเลสจะไม่เกิดขึ้นได้ะไม่แทรกเข้ามา ถ้าเราไม่เผลอเสียไปเปิดช่องให้กิเลสแล้วจากกิเลสจะเกิดเข้ามาในช่องนั้นผลที่ควรจะได้ก็ด้อยไปด้อยไปเพราะฉะนั้นตรงให้มีสติสำหรับพระด้วยแล้วไปที่ไหนเป็นผู้มีสติตลอดเวลานี่เป็นพระสมบูรณ์แบบมีสติควบคุมจิตใจของตน เพราะใจนั้นเป็นผู้ต้องหาของที่เลวมันควบคุมลากเข็นเราไปสู่ทางต่ำที่จะให้เป็นฝืนกนไฟแก่ใจอยู่โดยตลอดเวลาเราจรึงต้องควบคุมจิตใจของเราลากจิตใจกลับมาสู่ธรรมให้ธรรมเป็นผู้อารักขาไม่ให้เผลอไปตามความคิดของที่เลว ให้มีสติควบคุมแล้วเอางานให้ใจทาด้วยคำบริกรรมนี่เรียกว่าการทางานของธรรม <c oughs> มีคำบริกรรมเวลาเราบริกรรมอยู่นั่นมีสติอยู่นั่นแล้วกิเลสจะไม่เกิดได้เลยนี่เป็นโอกาสของธรรมที่จะได้ก้าวเดินเพื่อความสงบแก่ตนเองให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้ สติเป็นของสำคัญมากไม่ว่าการไหนสมัยใดนะสติสำคัญมากปัญญาเป็นอันเป็นอันดับต่อมาจะออกจะใช้เป็นเวลาที่ควรจะใช้แต่เรื่องสติควบคุมนี้แม้จะพิจารณาทางด้านปัญญาสติยังต้องติดตามไปอยู่โดยสม่าเสมอ เรียกว่าสติเป็นพื้นฐานของผู้รักษาใจให้พ้นภัยคือที่เด็ดทั้งหลายไปได้โดยลำดับด้วยอำนาจของสติแลวปัญญาเราใช้เป็นบางการคำว่าปัญญาใช้เป็นมาการนี้หมายถึงว่าการพิณิพิจนาใขค้ควรไม่ใช่จะไม่เราจะไม่ใช้ปัญญาในขณะสติปัญญาก็ต้อง มีความรอบครอบอยู่ในสติของตนนั่นแหละแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นไม่อยู่ที่ไหนอยู่กับเราผู้มีความสังรวมระหว่างน้อมเอาศาสรสดามาไว้เป็นขวานใจของเราตลอดคือสติธรรมก็เป็นองศาสดาปัญญาธรรมก็เป็นองศาสดา วิริยธรรมก็เป็นองค์ศาสดาคือมีความภาคความเพียรตามทางศาสตราที่เคยสอนไว้แล้วขันติธรรมคือความอดความทนก็คือทางของศาสตราที่ดําเนินว้เรียบร้อยแล้วได้ผลแล้วจึงมาสอนพวกเราให้นําธรรมเหล่านี้มาใช้ตลอดเวลาก็เรียกว่าเราตามเสด็จพระพุทธ เ, ทเจ้าอยู่โดยสม่ําเสมอ นี่ละการตามเถรพระพุทิเจ้าด้วยธรรมอย่างนี้ท่าใจเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาใจจะแข็วคลาดงปลอดภัยไปโดยลำดับขอให้ทำรักษาเถอใจจะมีความแข็วแกร่ตลอดไปเช่นสติธรรมมีรักษาใจไม่คิดออกนอกรูนอกทาง ปัญญาธรรมพินิพินาใครควรสิ่งใดจะเป็นภยัยต่อจิตใจปาดออกห้าไม่คิดให้ปรุงให้พินิพินาะหรือฝักไฟได้สิ่งเหล่านั้นเรียกว่าปัญญาให้ก้าวเดินอย่างจิตเมื่อได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่ด้วยสม่ำเสมอด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นที่ใจของเรา ไม่ได้เกิดขึ้นในสถานที่นั่ น, ก า, น, นการนั้นการนี้จากมืดจากแจ้งจากฟ้าแดดดินลงโลกกระถาที่ไหนแต่จะเกิดขึ้นที่ใจของเราเช่นเดียวกับกิเลสเกิดขึ้นที่ใจของเราอย่างเดียวกันเราจึงต้องชำระกิเลสที่หัวใจของเรานี้เมื่อชำระได้ด้วยความภาคความเพียร อยู่โดยสม่ำเสมอใจเราจะมีความสงบเย็นเข้าไ ป, ปราศจากสิ่งก่อควรคือที่เลือดนั่นแหละมันก่อควรมันลากมันถูเราไปมันรอมลั่งเข้ามาสู่สติธรรมปัญญาธรรมระมัดระวังตนอยู่โดยสม่ำเสมอจิตจะมีความสงบเย่อมเย็นเป็นลําดับลําดาไปเมื่อ สงบเริ่มเยนแล้วหลายครั้งหลายหนก็มีสงบแนบแน่นเข้าไปโดยลําดับโดยลําดับแล้วก็มีกําลังมากขึ้นความแนวแน่ของจิตก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาได้คําว่าสงบเป็นครั้งเป็นคราวนั้นเรียกว่าจิตสงบคําว่าสมาธินั้นหมายถึง จิตที่สงบหลายครั้งหลายหนแล้วสั่งสมกําลังขึ้นมาเป็นพื้นฐานแห่งความแน่นหนา ม, มั่นคงทุกครั้งทุกครั้งของจิต ท, ที่สงบตัวเข้ามาเป็นอันวัดสร้างกําลังหนุนจิตใจให้มีความแน่นหนา ม, มั่นคงมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความแน่นหนามั่นคงของจิตนี้ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิ จิตเป็นสมาธิแล้วเป็นจิตที่อิ่มตัวคือไม่หิวโหยกับความคิดเรงนั้นเรื่องนี้อะไรดังที่กิเลสพาคิดพาปรุงมีความหิวโหยตลอดเวลาหาความอิ่มพอไม่ได้ก็คือความคิดปรุงเป็นเรื่องของกิเลสจะไม่มีความอิ่มพอตลอดไปทีนี้เมื่อกิตมีความสงบแล้วความคิดความปรุงที่ เป็นความหิวโหวยจากอารมณ์ต่างๆของกิเลสนั้นจะสงบตัวเข้ามาพอจิตสงบหรือมีความแน่นหนามั่นคงภายในตัวแล้วความชิดพุงทั้งหลายเหล่านั้นจางไปจางไปจนปรากฏว่าความสงบคือสมาธิที่แน่นหนามั่นคงนี้เป็นเรือนอยู่ของใจทําให้มีความเพลิดเพลิน อยู่ตลอดเวลานั่งที่ไหนก็มีแต่ความสงบแน่วแน่ไม่มีอารมณ์เข้ามากวนหรือไม่มีจิตที่จะพลักดันออกไปกุเป็นอารมณ์กวนตัวเองนี่เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์จิตมีสมาธิคือความสงบตัวเองมีทมเป็นเครื่องดื่มแล้วย่อมไม่หิวโหวยกับอารมณ์จิตที่ไม่หิวโหวยในะอารมณ์นี่แหละที่ท่านสอนให้ พิจารณาทางด้านปัญญาดางท่านแสดงไว้แล้วเราที่บวชมาได้รับกันทุกองค์ทุกองคศีลปฏิภาบิตโตสมาธิมหัพโลข้อติมหานิสร้างโซ่สมาธิที่ศีลอบรมเนี่ยปล้อยแล้วย่อมมีผลมากมีอรนโยชน์มากย่อมมีกำลังให้จิตใจมีความอบอุ่น ไม่เกิดความระแคะระคายในสีของตนว่าด่างพร้อยหรือทะลุประการใดจิตใจไม่สร้างอารมณ์ความเสียแงทงจิตใจขึ้นมาเพราะสีบริสุทธิ์แล้วนี่หนึ่งกิจการนั้นมาก็สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปลาโ้ติมหานิสังสารปัญญาที่มีสมาธิ หนุนหลังแล้วย่อมก้าวเดินได้อย่างคล่องตัวมีแปลทางภาคปฏิบัติแต่แปลทางภาคปริยัติท่านพูดไว้เป็นกลางๆว่าปัญญาที่สีที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากมันเนื้อความก็อันเดียวกันนั่นแหละนะนี่คือปัญญาเมื่อมีสมาธิความ ไม่หิวโหวยในอารมณ์เป็นเครื่องหนุนแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาก็ไม่ชะแลกออกไปทางนาน้นทางนี้ด้วยความหิวโหวยของกิเลสดถูไปปัญญาทาหน้าที่ทางด้านปัญญาร่วนร้วนนีก็เรียกว่าท่านบอกว่ามีผลมากมีอริสงมากคือเป็นโดยลำดั บ, บที่ ปัญญาปวิตป ร, ริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเสวีวิมุตติใจที่ปัญญาซักฟอรเรียบร้อยแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่เหล่านี้มีอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบได้ เกิดที่ใจเกิดที่ผู้ปฏิบัติไม่ได้เกิดในสถานที่นั่นสถานที่นี่ไม่ได้เกิดกับที่มืดที่แจ้งใดๆทั้งนั้นแต่เกิดอยู่กับใจของผู้บำเพ็ญ น, นี้เช่นเดียวกับวิริยไม่มีมืดมีแจ้งการเวลาเกิดใด้ทั้งนั้นอันนี้ฉันนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน <c oughs> นี่แหละเมื่อปัญญาพินิจพิจารณาแล้ว มรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นที่นี่แหละไม่เกิดขึ้นที่ไหนครั้งพุทธกาลกิเลสเป็นข้าศึบของใจตลอดมาแล้วในมาจนกระทั่งถึงครั้งนี้ทมก็เป็นเครื่องชานล้างสังหารกิเลสตลอดมาเช่นเดียวกันนั่นแหละจึงมีความเสมอภาคกันไม่เอียงทางไหนกิเลสเป็นอากาลิโก <c oughs> ไม่มีการสถานที่ทำให้เกิดกิเลสเมื่อไรก็เกิด ทำให้เกิดธรรมเมื่อไรเป็นธรรมท่านเรียกว่าอากาลิโกเช่นเดียวกันอยู่ที่ใจของเราอย่าไปคาดไปหมายมืดแจ้งสว่างการนั้นรถานที่นี้ว่าเป็นมรรคเป็นผลเป็นอัดเป็นธรรมเป็นกิเลสกันหาความจริงสุดส่วนแล้วแปลนขึ้นที่ใจด้วยกันใจเป็นภูรับกองทุกและเป็นผูรับฉุกจนกระทั่งมหันตะบรมมาสุ อยู่ที่ใจอันเดียวนี่เทานไม่อยู่ที่อื่นที่ใดอยู่ที่ใจเมื่อใจมีการอบรมแล้วจะเป็นไปอย่างนี้คือศีลอบรมปัญญาโน้นปัญญาให้มีจิตใจอบอุ่นแล้วสมักแลน้นจิตใจให้มีความอบอุ่นแล้วก็ใจก็สงบได้ง่ายเวลาเราภาวนา ต่เมื่อมีความสงบอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายแล้วพาก้าวเดินทางด้านปัญญาก็ก้าวเดินไปได้อย่างคล่องตัวนี่เมื่อปัญญามีความสามารถแก่กล้าซักฟอกจิตตลอดเวลาใจก็สามารถหลุดพ้นจากกิเลสทั้ง่วงได้โดยชอบธรรมเหมือน ก, นกันกับทั้งผูต้ตากันขอให้ทำระที่จิตใจของตนอย่าไปคำนึงคำนวณ ในที่เล็กหลอกไปลมๆแรง ๆ, งๆไปอย่างนั้นว่าการนั้นสมัยนี้มีบาบมีบุญบุญมากมุญน้อยมีมากผลการนี้ไม่มีผู้ที่ว่าอันนี้นั่นมันคือที่เล็กมันจะทําเราให้ชิบหายทําแท้ท่านบอกอากาลิโกที่เล็กเป็นอากาลิโกเถอเมื่อไรเป็นที่เล็กเมื่อนั้นแน่ ทมแทกคือทำเรามีสติปัญญาทัก้อกตลอดเวลาไปันทมไปตลอดเวลาให้พากันพินิจพิจารณานี่การกล้าเดินข้างพุทธการกับข้างนี้จะไม่มีอะไรผิดแปกต่าง ต, ต, ตาตากันเลยขอให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวมรรคผลนิพพานสดสดร้อนๆ้อในหัวใจของเราเช่นเดียวกับวิเลย สดสดร้อนร้อนเผาอยู่ที่หัวใจเช่นเดียวกันขอให้แก้กันที่ตรงนี้อนันเรื่องมากเรื่องผลให้ดูข้อปฏิบัติของเราเรามีความบกพร่องในข้อปฏิบัติอันใดให้แก้ไ ข, ขตรงนั้นความบกพร่องนั้นแหละจะเป็นเครื่องกัน้นกลางมรรคผลผนิพานไม่เกิดไม่มีแก่เราจึงต้อง <c oughs> อุดหนุนหรือแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่บกพร่องให้สมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลําดับเรื่องสมาธินั้นจะเกิดขึ้นที่ใจในตาําราท่านบอกว่าสมาธิความจริงแล้วท่านชี้เข้ามาหาใจของมนุษย์ของสัตว์โลกนี่นทางนั้นแหละท่านบอกเป็นแบบแปนแผนผังปัญญาท่านบอกไว้ในพระไกรพิโกฟังที่พระไกรพิโดเป็นแบบแปลนแผนผัง <c oughs> ทางของบาปของบุญของนรกสวรรค์ด้วยกันทางไหนเป็นบาป ท, ท่านก็บอกเอาไว้อยา่าอยา่าอย่าไปสนิทติดจมกับมันทางไหนเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมรรคผลนิพพานให้พากันตั้งตกตั้งใจปฏิบัติสิตามธรรมที่ท่านสอนนันแล้วมรรคผลนิพพานจะไม่เป็นของใครอย่าเอาใครมาเป็นศาสดาแทนตถาคต น, นะส่วนมากจะมีแต่กิเลส เขามาแทนศาสดาและยิ่งใหญ่กว่าศาสดาให้เราเอาข้าวโลภมันแม้ไม่กราบว่าก็เขาวโลภมันยิ่งกว่าศาสดราแ อ, อ่อะติชิตยังไงเป็นเรื่องกิเลสแล้วเชื่อมันแล้วเชื่อกิเลสแล้ววิ่งตามกิเลสแล้วไม่ต้องกราบมัน ก, ก็ก็วิ่งตามกิเลสแล้วนี่มีมากในหัวใจของเราที่ยังไม่ได้จำละสะสาม ใ, ให้เราเอาจุดนี้นะ าศาสดราแท้อยู่ที่ใจของเราผู้ใดเห็นทมผู้นั้นเห็นเราตรถาธรทมตั้งแต่ต้นตั้งแต่ศีลและสมาธิปัญญาเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมดสดูพ้นเป็นธรรมของาศาสดราท่างนั้นเห็นไปดลแบบเจอไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละเจอาศาสดราเต็มอง์ <c oughs> ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ มรคนิพานคงเส้นคงวาหนานแน่นมาตลอดและยังจะหนานแน่นไปตลอดจนกระทั่งกาลเวลาไหนก็ไม่แน่แลขอให้มีผู้ปฏิบัติด้างท่านแสดงไว้แล้วกับพระโนนอันดับที่สองอันดับแรกท่านรับสั่งพระโนนว่าอาโน์จะมาหวังอะไรกับเราแต่ถาคนทำ อะไรเราก็สอนไว้หมดแล้วถ้าพูดภาษาของเราตัวของเราก็ยังเหลือแต่ร่างกระดูกเทานั้นจะมาหวังอะไรไอ้ร่างกระดูกของใครมันก็มีมาหวังหาอะไรทำนั่นเราแสดงไว้โดยถูกต้องทุกอย่างแล้วนั่นไม่ใช่ร่างกระดูกนะให้ยึดอันนี้ไว้เอาธรรมวิญญาที่เป็นศาสตรที่เราแสดงไว้แล้ ว, ลวนี้เป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย แทนเราตถาคตนี่อันดับที่สองคำว่า อ, า <c oughs> อ, อานุ์เมื่อมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยที่เราแสดงไว้แล้วนี้อยู่พาระหารไม่สูญจากโกนณอนุนเนี่ยประโยชน์ั้งให้ดีเมื่อมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยที่เราแสดงไว้แล้วนี้อยู่ พระละหันไม่สูญจากโลกอย่ี้ถ้าถ้าไม่มีผู้ปฏิบตัติไม่มีผู้สนใจเลยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้ละหันก็ไม่มีนะครจะมีแต่กิเลสเต็มตัวพาหันไปทางโน้นหันไปทางนี้นะหันไปทางโลกหันไปโกรธหันไปหันดิน้นทั้ไหลามีแต่กิเลสพาหันไปเลยมันเลยไม่มีละหันเนี่ยไปอย่างนั้นนะ ถ้าทำพระเจ้านี้หันคอทีเด็ดขาดสะบัานลงไปใจเป็นมิมูตปวดพ้นขึ้นมานี่หนละท่านแสดงไว้เป็นที่ตายใจได้สำหรับพวกเราเพราะเป็นสวัส า, าิธรรมตับไวชอบแล้วว่าเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามหลักตามหลักวินยัยที่เราแสดงไว้แล้วนี้อยู่ถ้าละหันไม่สูญจากโรคณนะอานนต์เนี่ยจำไว้ให้ดีสาหรับเราเป็นผู้มุ่งหวางตอม คุณงามความดีต่อมาต่อผลอย่างไงก็ไม่พ้นเนื้อมือของเราไปได้ขอให้ปฏิบัติตามทางของศาสดาอย่าไปสนใจยกับเรื่องกิเลสมันซึ่งมันเคยเปี้ยกรอมตลอดเวลาให้ออกนอกรูนอกทางความขี้เกียจขี้คร้านก็พาให้ออกนอกรูทางลบศาสนาลบศาสดา ทุกสิ่งทุกอย่างความไม่สนใจเรื่องบาปเรื่องบุญที่ศาสดาองค์เอกทุกพระองค์ยอมรับเอนกันทุกคนทุกคนไม่มีศาสดาองค์ใดคนที่บัดอัดทิ้ง บ, บ, บ, บุญบาปทั้งหลายได้เลยยอมรับด้วยกันว่าบาปมีบุญมีกิเลสมันก็นโลภเสียโลภเสียนี่แหละเรียวว่ากิเลสแทนศาสดาท่านว่าบัดนรกมีนรกมี อันนี้กิเลสการโลภเสียนะั้นโลกไม่มีพวกเปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตมีกิเลสเป็นโลกเสียว่าไม่มีไม่มีทำให้เกิดความหน้านนานเข้ามาภายในจิตใจไม่สนใจดนะ้อดในธรรมบอกว่ า, าสวรรค์มีพรมโลกมีนิพพานมีมันก็ไม่เชื่อเสีย สิ่งที่มันเชื่อก็มีตั้งแต่ความโลภความโกรธราคาตำถา พ, พ่อคูณหัวใจเต็มไปในโลกในสารสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันกันกบคนคนกับในเมื่อก่เลสมีแล้วมันต้องสร้างความทุกข์ให้สัตว์โลกให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยเหตุนี้เองสัตว์โลกทั้งหลายจึงเดือดร้อนวุ่นวายทั่วหน้ากันเรา มองดูโลกไปตามทางของกิเลสแล้วเราก็ไม่เฉจลาบอิ่มพอได้ความทุกข์ความทรมานทั้งหลายจะไปตกนโลกกี่กับกี่กันกิเลสมันก็โลกไปเสียไม่เหรลึกรู้มันก็บอกว่านาโกไม่มีแล้วก็สร้างแต่บาปแต่กรรมตามความอยากความทะเยอทะยานซึ่งเป็นทางของกิเลสไปเสียแล้วก็มีแต่ความทุกข์ความทรมาน เกิดพบใดชาติใดก็มีแต่พบชาติแห่งความทรมานของตัวเองซึ่งสร้างแต่กรรมชั่วเอาไว้ผลที่ได้ก็มีแต่ความสิ่งที่ไม่พึงหวังไม่พึงหวังเกิดชาตินี้ไม่ดีเอาเกิดแก้ใหม่เนี่ยเกิดชาติหน้ายิ่งเร็วลงไปนะครเกิดชาตินี้เป็นห ม, มไม่มีเอาเกิดชาติหน้าเป็นหมาไปเหียเนี่ยเกิดชาติหน้าเป็นเป็ดเป็นผีไปเหี้ยมันไม่ได้เกิด เปลี่ยนแปลงมาเกิดชาตินี้เป็นหมาไม่ดีแล้วเกิดเป็นชาติของคนยังดีกว่าไปน้องชั่วชาติของคนเกิดมาชาตินี้เราเป็นคนทุกคนจนโง่เง่าเต่าตุน่นแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งเนื้อตั้งตัวให้เป็นคนดีเกิดมาชาตินี้เราชอบทำแต่บาปผาแต่กรรมหาฆ่าแต่สัตว์ตัดชีวิตหาโชกหาลักหาต้นเอาหาขี้ไม่หยุดไม่ถอย ลูกเมียลูกผัวของใครมีประหาโฉกหาลักหาต้นไปหัวใจเขาให้แตกล้าให้แตกล้าให้บาดเสียเนอันใดที่เป็นอัดเป็นธรรมไม่สนใจสนใจตั้งแต่สิ่งเหล่านี้คั้นตายลงไปแล้วมันก็ไปเกิดในสิ่งที่พุทธเจ้าตำํำหนิว่ามันไม่ดีไม่ดีไม่ ด, มดีมันก็ลงนลกรกจมไปนั่ะอย่าว่างั่นมันก็เป็นอย่างงั้นเสียเอาแก้ใหม่เกิดแก้ใหม่เราไม่แก้ความคิด ไม่แก้วความประพฤติของเรามันเกิดชาติใหม่มันก็ต้องไปตามแถวเก่าแนวเก่านั่นแหละชาตินี้เราชอบทําบาปทากรรมชั่วช้าลามลกต่างๆดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วเกิดแก้ใหม่เกิดแก้ใหม่ก็ยิ่งหนักกว่านี้ตกนรกเอาไปแก้กรรมของตัวเองด้วยการตกนรกเนีไงเอาฆ่าสัตว์รักทรัพย์ กามีสุมิชาจาร์ตลอดไปถึงสุรานี่ังตั้งแต่เรื่องของกรรมผูกมัดหัวใจสัตว์นั้นเราชอบสิ่งเหล่านี้เราเอาไปเกิดแก่ใหม่ที่ไหนมันก็ต้องไปเจอโทษแห่งการกระทำของเราจนได้จะเกิดกีชาติจะเกิดพันชาติหมื่นชาติเมื่อเรายังพอใจอยู่กับกรรมชั่วนี้เกิดชาติใด <c oughs> มันสถานที่ใดภูมิใดมันก็มีแต่สถานและภูมิของคนได้รับความทรมานจากกรรมชั่วของตนอยู่นั่นแหละเช่นอย่างพวกที่เขาเกิดน่ะไปไปเกิดเป็นนรกนั่นเขาไปแก้กรรมกันที่ไหนเห็นไหมเขาไปแก้กรรมในนรกนั่นแล้วใครไม่อยากตกนะอยากไปสวรรค์นี่ผ่านอยากเป็นคนดีคนดีมีความรู้ความกลตาดสามารถจะเป็นเศรษฐีกระดุงผี เป็นจอมป่าฉาบและแลม้มคมเนื้อสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เลกลายเป็นคนโง่เนื้อโลกทั้งหลายไปอีกเพราะการทําชั่วของตัวเองไปตนกนรกมันเป็นของเลิศแล้วเหรอเราไปเกิดแก่กรรมของเราในนรกเนี่ยเพราะกรรมของเราเราจะไปตำหนิใครในนรกนรกเป็นธรรมเป็นความเป็นธรรมการทําของเรานี่เป็นเรื่องไม่เป็นธรรมต่อเรา นี่เราจะไปตาดทนายว่าเราทําชั่วนี้แล้วเราจะไปเกิดแก้กรรมให้ดีกว่านี้มันก็ยิ่งจมลงในนรกพาให้พากันชิดพินิจพิจารณาทุกคนนะการการเกิดแก้กรรมตัวเองด้วยการทําความชั่วไม่หยุดนี้แก้ลงไปยิ่งผูกมัดลงไปการแก้กรรมตัวเองต้องแก้ด้วยการทําดีมันไม่ดีแล้วแก้กรรมด้วยการทําดีพิก แลงเปลี่ยนแปลงทําความดีใช่ไหม่ก็กลายเป็นคนดีขึ้นมา <c oughs> คนนี้มันเรียกว่าแก้กรรมตนเองเกิดชาตินี้ไม่ดีเกิดชาติหน้าอยากดีกว่านี้เอาทําดีเข้าไปเมื่อทําดีลงไปแล้ ว, ลวสมหวังสมหวังแล้วดีขึ้นไปโดยลําดับสุดท้ายจนกระทั่งถึงนิพพานพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดโดยสิเชิงนี่สมหวังเพราะการสร้างความดีแก้ภพชาติของตน จนกระท่านถึงพ้นพบชาไปไม่ต้องแบกต้องหามอะไรทั้งนั้นดังพระพุทธเจ้าและพระละหันท่าน <c oughs> นี่ละ่ละหลักของธรรมเป็นธรรมชาติตายตัวใครจะไปยื้อแย่งแข่งดีว่าธรรมเป็นให้เป็นอย่างนั้นดัดแปลงธรรมให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าดัดแปลงธรรมเหล่านี้ให้เป็นไปได้ตามใจแล้วไม่มีใครจะเลิศเลยยิ่ง ก, กว่าพระพุทธเจ้าและฉลาดแหลมคมกว่า ก่อพระพุทธเจ้าต่ได้พระองค์จะทรงดัดแปลงแต่งสัตว์ทั้งหลายให้สมมกสมหมายด้วยกันนะให้สมใจด้วยนะสมมกสมหมายด้วยสมใจด้วยทุกอย่างเอาคนนี้แกต้องการอะไรแกมีเมียกี่คนเวลานี้มีเมียคนเดียวโอ้ยมันยังไม่สนุกพอนะไปหามาอย่างน้อยให้ได้สิบเมียท่านจะบอกอย่างนั้น แล้วคนนี้จะมีผัวกี่คนมีคนเดียวโอ้ยไม่พอให้ไปเอาผัวมันสักสิบคนคนหนึ่งให้ไปหาเลือกเอาอันใหญ่ๆนะผู้ชายเลือกออนใหญ่อันเรื่องของอันใหญ่ๆเข้ามาให้เท่าต้นเสานี้นะเธอชอบเท่านี้หรือชอบใหญ่กว่านี้อีกวะนั่นพระองค์จะตกแต่งให้หมดเลยผู้ชายเราไปหาผู้หญิงแล้วเอาขนาดไหนขนาดธรรมดาอยู่นี้ไม่ไม่เหมาะเอาเท่าฝาเรือนนี่นะว่า แล้วเท่าเท่าภูเขานี่ห น, นักพระองค์จะตกแต่งให้หมดใช่ไหมแต่ไม่มันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นเรื่องกรรมของตัวเองตกแต่งตัวเองไม่มีใครเมตตากับพระพุทธเจ้าเลย mm. เมื่อเรามีความชอบอะไรสิ่งนั้นมันเป็นมันเป็นความถูกก็ปัดออกถึงจะชอบข น, นาดไหนให้ปัดออกอย่าทําฝื้นทําลงไปจะยิ่งเลวล้าขึ้นไปมากมายเนี่ยเชื่อศาสนาต้องเชื่อศาสนาผู้ เป็นจอมปราเราจะมาเชื่อเราตัวกิเลสคุมหัวใจอยูน่นี้มันจะลากลงไปตั้งแต่ทางต่ำความย่อชาลมโมกจะมีตั้งแต่ความถูกเกิดไม่พบใดชาติใดมีแต่ความทุกความาร้อนเพราะเจ้าของสร้างกรรมสร้างเวรให้ตัวเองแล้วเราจะไปตำหนิผู้ใดนะก็เราเป็นผู้สร้างเองใครบอกก็ไม่ฟังเราชอบใจเราทําเองทีนี้เวลาไปเจอเขาแล้วล่ะเป็นยังไง ใครบอกว่าเธออย่าไปทุกข์มันฟังเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกได้หรอกเราต้องเป็นทุกข์ในตัวข้างเราเองท่านแสดงไว้ว่ากรรมมาสาโกนีนี่กรรมเป็นของของตนทุกคนทั้งดีทั้งชั่วกามาอายาโทกามาโยนี่กามามันทุกามาปฏิสัณโนเรามีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นโกของตัวมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอะไรว่ากัญญานังวาปาป่ากังวา ัสถายาโธพวิาณีเราจะต้องได้รับกรรมนั้นทั้งดีและชั่วที่เราทำลงไปเองนั่นแหละนะ่ะท่านก็สอนว่าอย่างนี้แล้วถ้าฝืนนี่แล้วเราไปทำกรรมชั่วมาแล้วเราจะยกผลแห่งความชั่วอันเป็นทุกข์ทรมานนี้ไปมอบให้ใครไม่มีใครรับได้ก็ต้องเ ป, เป็นเรื่องของเจ้าของอยู่เลยดีด้วยเหตุนี้ให้พากันพี่นี่พิจนาะปฏิบัติตนตั้งแต่บัดนี้เราได้าศาสตราเอเบกมาสอน ทำด้วยความถูกต้องดีงามแล้วอย่าฟื้นศษษาสตาเอาที่เดชมาเป็นศาสดาแทนมันจะมาเหยียบย่าทำลายเราให้ตกนรกหมกไม่ไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้ฟื้นขึ้นมานี่จะไม่ต้องมาทำบาปอีกก็ว่าเฉยๆนั่นแหละดังที่ท่านแสดงไว้ในชาดกมีเศรษฐีมีสาม ส, ส, สกุลเป็นเศรษฐีมีเงินมากมาย แล้วไม่มีอัตมีธรรมเลยกลายเป็นเรื่องความลืมเนื้อลืมตัวไปเสียเป็นเศรษฐีเงินขสร้างโลกไม่ต้องการเงินทาง น, นั่นแหละเมื่อมีเงินด๋ววานครับไปตรงไหนหวานไดเข้าต้นไม้ภูเขาพังลงไปหมดทั้งทั้งเงินได้หวานเขาไปไหน น, นี่ก็หวานเขาไปตามนั่นแหละไปตามลูกตามเมียเขาบางทีแต่ว่าไง น, นะไปหลอกลวงเขาจ้างวานเขาเอา เงินไปหลอกเขาเลยที่เอามาเป็นลูกเป็นเมียช่วยอาการช่วเวลาตามความชอบใจทีนี่สร้างฟื้นสร้างไฟเขาไม่สกุลเขาคนทั้งสกูลเป็นฟืนไฟประดิกันหมดเพราะเราเป็นเศรษฐีที่เอาเงินไปจ้างทําลายลูกใครหลานใครไม่เลื้ยงเลยจนกระทั่งคนทั้งทรายเดือดร้อนกัน ไปทุกอย่อมยากในแถวที่พวกเปรวกผีอารมณ์าการมัคิเลศไม่พอนี่เนี่ยนี่สร้างความดดร้อนให้เขามากขนาดไหนแล้วก็พอตายจากนี้ก็ลงนรกละทีนีฟังที่เวลาลงนรกไปตกนรกด้วยกันเศรษฐีสามสกุลนี่ไปตกนรกด้วยกันสั้งก็เริ่มตกนรกนี่จาก หิวนรกปากนรกนี้จนกระทั่งถึงก้นนรกใช้เวลาหกมื่นปีหกมื่นปีทิบไม่ใช่ปีธรรมดาหกมื่นปีทิบกว่าจะถึงก้นนรกไปอยู่ก้นนรกอีกหกหมื่นปีแล้วก็ลอยขึ้นมาอี ก, กว่าจะถึงปากนรกก็หกมื่นปี มีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานจะมีความสุขชั่วฟ้ า, ฟาแลกไม่มีเลยนี่แหละความทุกข์เพราะความลืมเนื้อลืมตัวเพราะกาเมเกเลตมันให้โทษเห็นไหมยังต้องการไปหาหญิงหาชายมาบ้างม า, ม า, ม า, มาประดับล้านอยู่เหรอเนี่ยเพียงที่ว่าอย่างนี้ก็หกหมืนปีหกหมื 60, ่นปีเดี๋ยวนี้ยังหกหมื่นปียังไม่ได้ขึ้นยังเป็นของดีอยู่เหรอ พิจารณาให้ดีเวลานี้มีอยู่กับทุกคนที่เลืตตัวนี้ใครดื้อจะเจอหกหื่นปีด้วยกันถ้าใครไม่ดื้อใครยอมฟังคำเจ้าไม่ตกนรกมีเป็นหลักธรรมชาติไว้สำหรับคนชั่วประเภทนั้นๆใครมีความชั่วหนักขนาดไหนยิ่งลงไปลึกๆขนาดนี้เอาขนาดนี้มาพูดพอเป็นเครื่องประกอบตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าความลืมเนื้อลืมตัวไปทา หญิงทั้งหลายให้แหลกเหลือไปหมดนะหญิงกับลูกใครหลานใครไม่ว่าไป จ, าจ้างเอาจ้างเอาเนื้อตัวเข้าไปตรงไหนมันก็สาเร็จมาสําเร็จมาเวลตาตกนรกนี่ฟังที่หกหมื่นปีไปลงนรกยึงถึงพื้นนรกแล้วอยู่ทางนรกอีกหกหมื่นปีแล้วเคลื่อนย้ายจากพื้นนรกขึ้นมาปากนรก หกมื 60, ่นปีในสิบแปดมื่นปีนี้นั้นไม่มีระยาะไหนเลยว่าเดยรับความสุดเพราะความเคลื่อนย้ายของสัตว์นรกนั้นเสมอกันหมดนีเกิดความทุกข์ควา ม, มาทรมารเพราะโผล่ขึ้นมาจะกล่าวคาถาจะกล่าวคำสักสองคำ เรียกว่าบทบาทแต่งคาถาหรือคำหนึ่งเท่านั้นก็ไม่ได้แต่ว่าจะกล่าวว่าดุชีวิตะมัชีวิมหาเยสันโนนรรามหาเซนิชมาเนสุโฮเคสุดีปังนากรัรมหะอัตโนดูก่อนท่านทั้งหลายท่านพวกทุกจอมทุกทั้งหลายว่างพูดยังไคือพวกเรานี่แหละพวกเก่งๆพวกครองหรือพวก การเรียกว่าเป็นเจ้าของแห่งมหาดาธุก่ดูก่อนท่านทั้งหลายว่าเมื่อมีชีวิตอยู่สมบัติกันทองมีมากมายเราก็ไม่ได้ทำบุญให้ทาเนเวลาตายพอชีวิตของเหล่านี้เป็ น, ปนชีวิตที่ชั่วช้าที่สุดแล้ว นี่คาถาหนึ่ง ท, ทุชีวิตะชีวิมหานั้ชีวิตานออกได้เพียงคําเดียวทุเท่านั้นลงนรกแล้วนะไม่ฟังที่เก่วกาวคาถา ท, าที่บ้านเนี่ยไม่ได้เต็มคาถาเลยได้เพียงทุทชีวิตทุชีวิมหา น, นั่นได้ทุอันเดียวจมแล้วนั่นเนี่ยแล้วที่นี่ก็ ทุกีบิภาณฑอาคิีิภัณฑ์เยส้นโนราจามเซนจากนั้นแล้วก็ขึ้นมาอีกทุสนาโสสะนั่นก็สัตที่วัสสะสหัสานิปริปุนนานิสัพพะโสนรเยป จ, จมานา น, านางังกะาอันโตวภวิสตติเมื่อเราจมอยู่ในนรกตลอดเวลาทั้งขึ้นทั้งลงอย่างนี้เป็นตั้ง หก b i l ปีจะเป็นระยะระยะไปนี่แหลแล้วที่สุดของทุกเหล่านี้จะมีได้เมื่อไรคือเมื่อไรที่สุดของทุกนี้จะสิ้นไปได้นี่ทุกษะนั้นนี่นะแล้วคำว่าสักธรีวัฏสาสะนี้ดังที่กล่าวเต็มบดเต็มบานนี้ได้เพียงสะอันเดียวจมลงไปแล้วเลวไหมฟังสิศรีวัฏสาสะนี้นี่กล่าวไม่จบ เจ้าจกเพียงสะตัวเดียวนี่เราทุสะที่นี่ก็นะเอาอยู่หน้านี้นะนะทัททสันติอ่านัททกุโตตโวุโตนัอันโตปาลิติตดาหิปะกตังบาปปังมาว่าตัวานจะมาลิซาดูก่อนท่านผู้นีราทุกทั้งหลายเรื่องที่สุดแห่งทุกข์นั้นย่อมไม่มีที่สุดแห่งทุก์จะมีได้ที่ไหน ก็ในการที่เรามั่งมีสีสุขนั้นเป็นการที่เราสั่งสมความลืมเนื้อลืมตัวสร้างความชั่วช้าระม็อกไว้มากมายแล้วความทุกข์จึงไม่มีนั่นท่านทั้งหลายอย่าหวังว่าความทุกข์จะมีได้ลนี่แหละนานะทุษะนานาตนคือว่านัตทิกุโตโตนี่เข้าใจที่โสนาทุษะนโส พอบทที่สี่นี่ก็โซหังหนูนะอิโตกันตาวาลัอโยนิรัดฐานมานุสิ้นว่าดยูชีลสัมปันโนกาห้ามมิกุสลังบะฮง เ, เรานั้นเมื่อได้พ้นจากนรกนี้ไปแล้วจะเป็นผู้ไม่ประมาทดังที่เคยเป็นมานี้จะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยทานเราจะสร้าง การกุศลให้มากมูงอย่างแน่นอนมีแปลออกแล้วนะพอพูดแล้วก็ลักษณะเหมือนความยิ้มแย้มแจ่มใสว่าป้าหนึ่งเนี่จะพ้นจากกาโลกไปในวันทุ่งนี้เพราะความแผดเผาในาโลกนี้แสนสาหัสทั้งๆที่จะตกไปอีกนานเท่าไหร่ก็มีความยินดีต่อความเกิดของตนว่าได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นผู้ไม่ประมาทจะสร้างคุณงามความดี แล้วจะสร้างบุญกุศลให้มากมูลแน่นอนเนี่ยและพูดประหนึ่งว่าจะพ้นจากนรกไปในวันพรุ่งนี้เพราะความแผดร้อนมากนี่นี่ละทุศนโสกาวไม่จากาวได้ต่แต่คำต้นคำต้นนี่ละเรื่องกรรมเวลามันลงไปอย่างนั้นแล้วใครไปตามแก้ไขได้ถ้าพุทธเจ้าทุกๆโกองแก้ไม่ได้ทางนั้นละ่ะจึงสอนว่าอย่าทากัน นี่ตัวกาเมซุมิฉาจานร่วงน้าเศษแดนของหญิงของชายเราเป็นบาปเป็นกรรมหนักขนาดนั้นเนี่นี่เราจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเราจะเชื่อความต้องการของเราพิจารณาดิพิจาณาดีเวลานี้ตัดสินพิจารณาตัดสินตัวเองได้นะตายแล้วตัดสินไม่ได้นะตายแล้วมีตะกุศลน า, มมาธรรมะกุศลามันเกิดประโยชน์อะไรถ้าเราไม่แก้ตั้งแต่ตตบาปนี้นี่แหละโทษ รุนแรงขนาดนี้คําพูดนี้เป็นคําพูดของผู้ดีเจ้าสดสดร้อนๆเลยเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นอย่างที่ว่านี้แน่นอนแล้วเรายังจะฝืนทำอยู่เหรอพิจารณานี่ไอความอยากเพียงเท่านี้กิเลสตัณหาเพียงเท่านี้ทําไ ม, มเราจะตัดมันลงไม่ได้ก็มันมีอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยของเราก็มีหัวของเราก็มีอยู่แล้วดิ้นผาหลไรถ้าไม่มีจริจริงๆมันก็เป็นอย่างหนึ่ง มันก็มีอยู่แล้วถึงไม่มีก็มัมนรุนแรงขนาดไหนการประจําชั่วอย่างนั้นความอยากความทยะยอทยานไม่มีความหมายเวลาไฟนรกได้เผาลงไปแล้วเป็นของดีแล้วเหรอนี่ให้พากันพิจารณาให้ดีตั้งแต่บัตร น, นี้หรือว่าธรรมบุรุเจ้ามันสึกหลอไปแล้วเ ห, อหร อ, อลืกราสมัยหรือกิเลสตัวนี้มันคืบเมื่อไหร่เห็นไหมมันไม่ล้าสมัยมันดูงเราลงนรกตลอดเวลาเรายังจะเห็น ทำมูเจ้าที่ฉุดลากขึ้นมาจากนรกว่าเป็นของคือของลาสมัยอยถ้าอย่างนั้นเราจะจมคอยจะลมหายใจตอนนั้นเอาพิาจารณาเจ้าของให้ดีตัดสินลงไปสิมันเป็นยังไงก่อนเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเราจะให้กิเลสมาตัดสินเราได้หรือเราต้องตัดสินเราเพื่อฮะกิเลสจึงเป็นตัวสร้างทุกมาเราถูกให้มันขาดสะบั้นจากเราไปนะนี่เอาอย่างนี้แหละพิจารณาทุกคนวันนี้พูดถึงเรื่อง อะไรเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องนี่กกลายไปถึงอันนี้มันไปเกี่ยวโยงอะไรนี่แหละการเทศหลงหน้าหลงหลังแล้วอะนี่ลืมไปแล้วไปถึงศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุดแล้วก็เลยไปถึงไหนเราจนถึงทุสระนโสไปเลยที้นี่เลยจำไม่ได้ขอประมวลท้ำทั้งหลายนีให้เราทั้งหลายซึ่งอยู่ในทางสองแพ่งเอา เราจะไปแพร่งไหนแยกไหนตั้งแต่ บ, บัต น, นี้ทางหนึ่งเป็นทางชั่วจนกระทั่งถึงชั่วสุดก็ทางหนึ่งเป็นทางดีเป็นดีสุดยอดเอาเราจะเอาทางไหนให้เลือกเราเป็นผู้รับรองเองเราเป็นผู้รับเคระรับคำเองถ้าไปทางชั่วรับเคราะหร้อยเปซไปทางดีก็รับคำคำดีความสุขความเจริญร้อยเปเซนเช่นเดียวกันให้เราเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินจะหาผู้ิพากษาที่ไหนมา เรื่องเหล่านี้ต้องเป็นเราเป็นผู้พิรักษาโดยอาศัยธรรมมาเป็นบทบาทตับสินลงไปแล้วเรื่องของทุกตั้งหลายจะห่างเหินจากเราไปถ้าไม่เชื่อพระเจ้านี้มีแต่จะพัวพันกับของทุกตลอดไปนะอันที่ว่ามรคนิพพานไม่มีแล้วนรกไม่มีนี่มีจนจะเรื่องที่เล็บองหกหลอกลวงก็สัตวดาองค์เอกมาตับสรูทั้งองค์ทั้งองค์งงแต่และองค์ลงเป็นของเล่นมาหลไรสอนมีองค์ไหนบ้างที่ตับสรู้มา ยี่หมื่นสี่แสนสี่ร้านล้า น, านว่าบาป บ, บุญนรกสวรรค์ไม่มีสอนเป็นเสียงเดียวกันหมดก็เพราะท่านรู้ท่านเห็นแบบเดียวกันด้วยโล ก, กมีถูรู้แจ้งโลกเห็นเรายังหูหนวกตาบอด น, นี้ยังจะมาอวดกับพระพุทธเจ้ า, าแล้วจะจมอันพินิจพิจารณาตั้งแต่วันนี้วันนี้ได้เทศออรบรมบรรดาพาระเนรตลอดถึงประชาชนตามโอกาสทันควรวันนี้เดียวกวับเป็นมหามงคล เราทั้งหลายได้ม า, มาหนุนชาติหนุนศ <c oughs> าสนาของเราชาติเป็นสมบัติของคนไทยศาสนาเป็นของคนไทย <c oughs> เราต่างคนต่างอุตสาห์พยายาม <c oughs> ดั้งที่มารวมกันวันนี้ก็เกี่ยวกับชาติด้วยศาสนาด้วยได้รับคำแนะนำตักเตือนไปเกี่ยวกับศาสนาชาติต่างคนต่างอุตสาห์พยายามไม่มีใครจะมาช่วยเราแหละ ชาติไทยของเราจมก็ต้องเป็นคนไทยทั้งชาติจงไปหมดฟื้นฟูก็ไม่มีใครนอกจากคนไทยทั้งชาติต่างคนต่างจะอุ้มจะชูนูนขึ้นไปเต็มกําลังของเราที่รากชาติของเราบ้านเมืองของเราจะก็จเริ่รุ่งเรืองขึ้นไปโดยลําดับดังที่ปรากฏเวลานี้ไปยังไงเสียหายไปที่ตรงไหนการที่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศือต่างคนต่างรักชาติต่างคนต่างเสียสละทั้งแตง ต้นมาจนระทั่งบัรนี้ถ้าพูดถึงว่าทองคำก็ได้ถึงหตันกว่าหรือ6 0พันกว่ากิโลแล้วแล้วดอนน้ากำลังจะเข้าแปดล้านอยู่เมื่อสองสาวันต่อไปนี้ไม่นานหรือชวนเงินสดนั้นไม่ทราบกี่กี่พันกี่หมื่นล้านแหละที่หลวงตาได้นำออกช่วยชาติบ้านเมืองไปที่ไหนเห็นแต่สิ่งปลูกสร้างเต็มบ้านเต็มเมืองเฉพาะยางยิ่งโรงพยาบาล จากนั้นกระลงล่ำโรงเรียนที่ราชการต่างๆสถานสงฆ์มีจะก อ, อกจากน้ำใจของพี่น้องสาธี่บริจาคนี่แหละแล้วแยกเขาไปซื้อทองคำสู่กลางหลวงก็มีพอประมาณแล้วก็แยกออกช่วยประชาชนทั้งประเทศก็มากขอสมควนนี่หละไม่ได้สูญหายไปไหนผลประโยชน์เราเห็นอย่างชัดเจนอย่างนี้หละ มันมีอะไรบกพ้องมีตนูนุนขึ้นเลยๆนี่ทองคำาเราก็ขยิมไปด้วยโดยลดับจะเข้าถึงสิบตันอย่างไงทองคำในเมืองไทยเราที่ช่วยชาติคราวนี้ซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์โดยไม่สงสัยยะเราจะอ่อนข้อไม่ได้ยังไงขอให้ได้ทองคำน้ำหนักสิบตันและดอนลาดอย่างน้อยต้องให้ได้สิบล้านนี่สมชื่อสมนามกับแล้วบวกรลู้นฐานรับกันได้สนิทใจก็คือว่าเมื่อ ไม่กี่ปีมานี้เมืองไทยเราจะจมกันทั้งประเทศมองหน้ากันจนไม่ทั่วถึงแล้วบัดนี้ก็ฟื้นขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะการช่วยต่างท่านต่างช่วยเพราะเห็นว่าชาติเป็นของเรามีความรักชาติดยกันอุตส่าห์พยายามด้วยน้ำใจด้วยกันเพราะการบริจาคมานี้ไม่มีใครไปรบีบบังคับเป็นเพราะความรักชาติของตัวเองแต่ละลายละลายแล้วก็เสียสละออกมา แต่จากความรักชาติด้วยความพร้อมเพลี่ยงสมคธิที่รักชาติด้วยกันผลก็ปรากฏดังที่เห็นนี่แล้วและต่อไปนี้เราก็จะได้อุตสาหพยายามดังที่เห็นวันนี้เห็นไหมล่ะเนี่ยวันนี้อ่ดาดอลล่าทองคํำลั่งไหลเข้ามาเงินสดลหลัายๆเข้ามานั่งคู่เดียวนี่ได้ตังมากมายไหมนี่ก็คือน้ําใจแห่งชาวไทยเราผู้รักชาติรักศาสนาที่ได้แสดงน้ํำใจออกมาให้เห็นชัดเจนหลวงตา ยังขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพระเจ้าประสงค์ที่ท่านเอาจริงเอาจังช่วยชาติบ้านเมืองทุกพิถีทางนับตั้งแต่ช่วยเราเริ่มช่วยชาติมาพระเรานี่ช่วยมากมายไม่ว่านีิการไหนร่วมกรรมฐานนี่มากที่สุดเลยละ่ะออกช่วยเต็มบ้านเต็มเมืองเอาจริงเอาจัง เ, เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่นี่ก็ยังอดที่จะอนุโมทนาสาธุการไม่ได้ ท่านเหล่านี้เป็นจิตใจเป็นธรรมรักพ่อรักแม่รักชาติรักศาสนากุศลพยายามบำรุงรักษาอะไรที่จะบกพร่องอท่านหนุนกันมาโดยลําดับลาดามีก็หลายครั้งมาเป็นลาดับตั้งแต่เริ่มช่วยชาติบ้านเมืองมาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายไม่ได้เขินทางจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหนุนกันมาอย่างนี้ตลอดเนี่ยแล้วอย่างนี้ยังจะเอาเอาไปอีกจกนกระทั่งถึงสิ้นสุด แห่งเหตุการณ์ทั้งหลายนี้นั้นหากยุติเองใครก็รู้ด้วยกันทางประชาชนก็เอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีที่ต้องติใครมีมากมีน้อยหมุนเข้ามาด้วยกันเป็นน้ําใจแห่งนักเสื่อสลรแห่งคนผู้ลักลาศของตนผลจึงปรากฏขึ้นเป็นความชุ่มเย็นเป็นสูตแก่ส ม, มชาติไทยของเราโดยมีครังหลวงเป็นเครื่องค้ำประการในวาระอวสานการแสดงธรรมคราวนี้ ยังขอขอบคุณพระอนุโมทนาทั้งฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาดทั้งหลายและประชาชนลูกหลานทั้งหลายให้มีความสุขความสบายกายสบายใจมีความเจริญรุ่งเรืองทางโลกก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางธรรมก็ให้มีเกิความเจริญรุ่งเรืองด้วยมรดุด้วยผลด้วยนิพพานโดยทั่วกันเธอ